โลกแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ต่างแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทา เ, าเบาทุกข์ไปบ้างพอมสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ต่างแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอตำหนิได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัจฉราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำ น, นาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าถ้าชั้นวันหน้าใด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 กิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาตากฏดผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือจั์ทั้งหลาย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 เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากอย่างไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแ่ะทั้งวันเนี่ยแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปชิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วคนจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไร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 เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อป่วยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลําดับอยู่หรือแ ง, งนี้สติจิตที่ได้สติมันขอยับยังพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตหักจากสิ่ง น, นั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับท้อเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระ ง, งับตัวการระ ง, งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพียงพอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเร า, าที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความบื่อเมีนขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลาบาก ในการฝืนในการบังคับกิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและวทินเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้ลุกมีที่ปลงที่หวางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย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 เช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเขาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งๆที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิปีฉิมอินทชาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น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 ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเกิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทําไมเราชอบไปคุกขี่ชอบไปยุ่งชอบไปนํามาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจิด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 จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทงางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายแม้ทางอารมณ์ของใ จ, ใจเสื่อมต่างไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่ อ, อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่าทําลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บน่นเพราะเหตุอะไรถึงบน่นเพราะไม่อยากทุกและไม่อยากทุกไปคิดทําไมในสิ่งที่ว่าจะถึงที่เป็นทุกจะฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไมถึงการเมื่อเป็นอย่านั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงกันก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์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 อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผลาสุกเปี่ยนใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้างดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงุมโนสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญหรักการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันน่าจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นจุกไม่ดือดร้อนวุ่นวาย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 การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบารุงตนเอง่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมมี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่กลัวตัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจาะแง่ใดก็ตาม ให้พึงทราบว่า น, นี้แหลคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขแก้ใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแกล่ล้วไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งทิ้งหมดฤทิบหมดอํานาจของกรรมที่ทำไว้ น, นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ีผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลําดับ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 ต้องเป็นจาวันยังคําและเป็นผลดีชั่ววันยังคําไปทุกภพกทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือประกกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงเมื่อคนกลัวเรื่องสุม 4, สีุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึก ต, ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิษน์่ีปัญญาพินิจ พ, พิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังพิษผิดขึ้นมามันผิษยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยนี่เราเป็นต้นเนียชาชันนา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 ไม่มีใครสามารถอาจเตือมที่จะรู้ได้ไดเห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้จ ง, งประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นาศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผล จ, จึงจะปีนเปีย ก, กันกับความต้องการข้องหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เหนือกันโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่ว่าได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกําลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดี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 ซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงๆงมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอร์ความดีมีมากเท่าไหรไม่เฟอไม่มีเฟอร์ดีเท่าไหรยิ่งมีความออุ่นแน่นหนามันคงพนันใจยิ่งมีความออุ่นต่อกันจํานวนมากน้อยเท่าไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอผิดกันครับสิ่งต่างๆที่มีการเฟอร์ได้เช่นเงินเฟอ คนเฟอ้อเราเคยเห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิมดำบดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟอ้อจะห า, ะาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจ ะ, จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้ผูอื่นมากมายเพื่อความสุขสําหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันจเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันจเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็ม อ, อยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นใ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืน เ, เหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นไปแล้ว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 ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรกสวมมโลโรลุงมัางเข้าไปทับถมมาหมดหุ่มห่อหอมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเพื่อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อที่ยาที่แสดงออกนั้นก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โรกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสําหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโรคอยู่แล้วแล้วเรจะไปตาหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อใช่เองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะยอเพียงเท่นี้มนุษย์เฟอ้อไปเลยแล้วเราจะตำหนิคนอื่นเราก็เฟอ้อถ้าที่ไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเรากระเฟอ้อเหมือนกัน นี่เราหลักธรรมมุติธรรมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอ้เฟอๆอยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอ้อออกสิ่งที่เฟอ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกเดอนขึ้นมาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียดนั่นแหละคือความเฟอ้อแก้มันออกความขี้เกียรความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาหพยายามเชื่อ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 เมื่อีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปริยภพภานความจริงคือธาตุขันธ์จลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปโลกผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดเป็นธรรมดาอืหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้มันอย่างนั้น เราสู้เพื่อใชยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเหตุไม่ได้ฉลาดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่โซกโปกรากลุ่มหลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระวิชาท่านเคยแก้อยอย่นี้เราอะไรมาแก้ ความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนั้นในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ออกจากคูกจากกลางจากเรือนจําสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจําในฐานที่นี่หมายถึงวัฏจกักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แต่เราเราจะอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายาม สติปัญญาศรัท ธ, ธาความเปลี่ยนเล่นลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปจกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเปลี่ยงเราที่จะทําตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็าตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพรักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากรงนี้ชนะันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะยี่เหลียงตัวเองนี้ยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ ย่อมสร้างชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีเงิงใดเหนือนั่นเอกันจะเมัดตนังสเวสวะสัางงามมัญชุตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐในโลกนั่นตังเสกชนะสิ่งนั้นไม่มีอะไรประเสริเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเหี่ยวเนื่องเป็นเป็นลูกโซ่กันไปนไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาควาเพีงเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนหผนเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะหผนเดียวที่อัภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายเทย่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หาจับจองปัดชาเถอะอีกอืแล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องปัดช้านี้มันควรจะเบือ่อว็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัพโลกทุกตัวสัตว์ มีแต่นักจองปราชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาบราชาที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นปราชามันมีด้วยกันทุกคนอเราทำไมจะต้อขยันจองนะจองปรชาชญ์มันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เข็ดไม่หลาตรงนี้จะเสข็จหลาดที่ตรงไหนอะไรไมาให้ทุกข์ให้ตายแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์ในทาใน่าเนี่ยขันความหิวความหโอยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เตนอยู่ในท่านในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ ไม่อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกล่องถุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่น่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟยอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดจึงเป็นไฟยอยู่แล้วหาอะไรถูกจเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับอดับลงที่นี่น้ําสีน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วพอเย็นเย็นแล้วก็สบ า, ายหายโศกเศร้าเลือกกนรเจตีการจับจองป่าช้านี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าคั่นสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็มีความถูกความสมายดาเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบารุงจิจงตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผกเ้าวจิตใจเนื้อารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโดนจิตใจให้เดือดร้อนนะก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยนำดับจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่ <ừ. S 1> สาระการพยายามทำก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาความยุติเธรรมตรงนี้